เกิดมาแล้วองทำงานไม่ทำไม่ได้เพราะสภาพของสังขารมันโยมเคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นเหมือนอย่างเครื่องยนต์กลไกต่างๆถ้าซื้อมาแล้วจะมาเก็บไว้นานๆจะามาใช่ทีหนึ่งเนะี่ย ไม่ได้แล้วสตาร์ทไม่ติดมันฝืดเครื่องขึ้นสนิมอันร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีแต่จะนั่งนั่งนอนนอนอยู่อย่างเดียวไอ้เลือดลมมันก็เดินไม่สะดวกบบบนี้เพราะมันผิดกฎธรรมดา ก็ยอมเจ็บป่วยถึงซึ่งอาพาธโรคภัยเบียดเบียนเอ๋ยดังนั้นเราจึงต้องได้เปลี่ยนอริบทอยู่เสมอข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หมู่นั้นลองพิจารณาดูก็มันเป็นอุบายเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติตามนี่ได้ออกกำลังกายกำลังใจไปพร้อมๆกัน mm hmm. เช่นเดินจงกรมอย่างนี้นะอันนี้ก็เพื่อออกกำลังกายให้เลือดลมมันเดินสะดวกเพื่อไม่ให้มันติดขัดแล้วก็ทางจิตใจ เมื่อ น, นั่งสมาธิมันสงบไม่ค่อยได้เอา้าลองใช้อิริยบุตรเดินดูบางทีเดินจงกรมมันสำมรวมจิตได้จิตสงบลงก็มีบางทีก็ใช้อิรยบุตยืนก็ยืนเพ่ง ความรู้สึกอันนี้บางทีมันก็สงบลงได้อย่างนี้นะดังนั้นการทำความเพียรเพราะองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงว่าเป็นอาการโกไม่อ้างการอ้างเวลาเรียกว่าการทำความเพียร น, นี่ต้องอยู่ในอิริยาบถทางสี่ในทางนั้นเลย คือเพียรสำรวมใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีตั้งมั่นอยู่ในคุณพระระัตนาไกลตามธรรมดาจิตใจของเรานี่มันไม่ค่อยตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเหล่านี้มันมก่กแกถูกกิเลสนั่นผลักดันให้คิดสงสัยไปในที่ต่างๆอันไม่เป็นประโยชน์ เป็นไม่เป็นแก่นเป็นสารอะไรนะนะั่น่ะมันชอบคิดเหลือเกินนะไอตอนที่มันจะมาฝึกเกียให้คิดไปในทางที่มันจะเป็นสาระประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นนี่มันกิเลสมันจะไม่ยอมไม่คิดง่ายๆถ้าไม่ผ่านด่านของกิเลสีะกอนมันจะคิดไปไม่ได้เลย เดีวนั้นอย่างเช่นว่าการเจริญธรรมะเบื้องต้นนี่นะเราตั้งจิตพุ่งว่าจะให้จิตสงบลงอย่างนี้แต่เมื่อมันมีนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมากั้นกลางไว้อ่าแล้วพอดีมันก็สงบลงไปไม่ได้ก็ อ, อย่างนั้นแหละวันนี้ก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นน่ะ ตรงเพ่งละมันเลื่อยไปอย่างนั้นนะเมื่อนิวรณเหล่านั้นดับลงไปแล้วจิตมันยึงค่อยดิ่งลงไปสู่ความสงบได้นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงว่าเกิดมาในโลกนี้แล้วเนะี่ยมันต้องมาต่อสู้กันระหว่างความดีกับความชั่ว เมื่อบุคคลมาเห็นโทษแห่งความชั่วแล้วเช่นนี้ก็เพียนพยายามละความชั่วนั้นออ ก, ก, กจากจิตใจเลื่อยไปไม่สะสมให้มันมากขึ้นนี่แหละแกะแล้วมันก็ไม่อยากจะหนีจา ก, กจิตใจนี่เพราะว่าใจได้สั่งสมมันมานานดังนั้นเราจึงต้องได้ออกแรงแล้ว ท่องในทำความเพียรเด็ดเดี่ยวเข้าไปนั่งภาวนาอย่างนี้ก็อธิษฐานใจลงไฟสระชีวิตเพื่อความสงบถ้าจิตที่ไม่สงบตราบใดเราจะไม่ออกจากสมาธินี้ร่างกายเนี่ยมันจะแตกกระดับกรกแล้วแต่เลื่องมันนี่เรียกว่าทำความเพียรเด็ดเดียว เมื่อทิ่ฐานใจเรานั่งลงไปเมื่อนี้ทำความเพียรไปใจมันสงบลงไม่ได้เอาไม่ได้ก็ชั่งเราจะไม่ออกจากสมาธินี้มันเจ็บมันปวดก็อดก็ทนเอาเมื่อนี่เมื่อสัจจะของเรามันเข้มแข็งพอแล้วมือนี้มันก็เอาชนะกิเลสอันมันลบควรจิตใจให้พุ่งซ่านนั่นได้ เมื่อกิเลสนั้นมาระงับลงจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อย่างนี้นะนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าการทำความดีอะไรถ้าหากว่าไม่เอาชนะความชั่วเสียก่อนความดีนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจไม่ใช่ว่าการทำความดีนี่มันจะสบายไปเรื่อยมันจะไม่มีอุปสรรคอะไร อันนั้นเข้าใจผิดไปก็มันมีกิเลสนี่แหละเป็นศัตรูของกุศลคุณงามความดีต่างๆบุญกุศลมันจะนำดวงขไดให้พ้นทุกไปโดยลำดับบาปมันจะน่วงไวแบบนี้นะมันจะไม่ให้พ้นทุกไปบาปนั้นมันเป็นสายของความทุกข์มันเป็งนงั้น ดังเช่นพระองค์ประทับนั่งบนวันลังในคืนวันจะได้ตัดรู้ในปฐมพยายามพระองค์จะพยายามทำใจให้สงบให้บรรลุฌานไอ้มารมันก็มารบ ก, กวนในขณะนั้นจิตของพระองค์ก็ลงไม่ได้ก็ต้องสู้กับมารอยู่นั้นไปก่อนถ้าว่าเป็นธรรมอาทิฐาน ก็ได้แก่นิวรห้านี้เองแหละแต่นิวรห้าของพระองค์นะ่ะมันยิ่งใหญ่กว่าคนธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นมันจึงปรากฏเป็นดิมิตรก็มีพุ่นพญามาราธิราชกับบริวาร น, นั่นยกกองทัพมามาขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีจากแท่บนบรรลังนั่นแหละแล้วพระองค์ไม่ยอมหนี ก็โต้กันกับพยามาณพยามาณก็ถามว่า้าแท่นบันลังนี่เป็นของของท่านท่านได้สร้างมาเั้อเมื่อไรใครเป็นสกีพยาน mm hmm. พระองค์ก็นึกว่าในที่นี้ไม่มีญาติวงศพงษามิตรสาหายอะไรที่จะมาเป็นสกีพยานให้เราได้เลยมีแต่บุญบา ร, รมีที่เรา ได้สร้างมาแต่อเนกนชาตินี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบุญบารมีที่ข้าเจ้าได้สร้างมาแต่อเนกนชาติจนถึงปัจจุบันนี้หากมีจริงก็ขอให้แสดงบทบาทออกมาให้เป็นสักขีพยานแก่ข้าพเจ้าในวันนี้นั่นแหละทันใดนั้นแม่นางโทรณี ก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเป็นรูปผู้หญิงผมยาวก็กราบทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์นี่แหละเป็นสักขีพยานให้พระองค์ตั้งแต่เมื่อพระองค์สร้างบา ร, รมีมาในสงสารที่ปรารถนาให้สาเร็จเป็นพระพุทธเจ้านะพระองค์ได้ทำบุญทำทานอะไรมันก็ได้หลั่งล่อน้ำทักกีนโนทกลงสู่พื้นดิน อันนี้เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรทะเลหรือมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลอีกซ้ำหมายเอาน้ำพระไทยที่เปี่ยมไปด้วยบุญบารมีนั่นแหละดังท่าพระองค์จะแสดงถวายในบันนี้คันแล้วนางธรณีก็บิดมวยผม น้ำก็ลังไหลออกจากมวยผมของนางธรณีไหลอย่างรุนแรงอย่างแรงจริงๆท่วมท้นพยามารและเสนามานตั้งตัวไม่ติดเลยน้ำมันก็ซัดเอาไปสู่ขอบจั ก, กรวาล น, น่นนู้นตกลงว่าพยามารพร้อมทั้งเสนาก็เป็นอันว่าพ่ายแพ้ต่อพระบารมีธรรมของพระองค์ แค่นั้นแหละต่อจากนั้นเน่ยเมื่อนิวรหา้ามันระ ง, งับลงไปแล้วจิตของพระ อ, องค์จึงสงบลงบรรลุฌานลงไปโดยลําดับอจนถึงจตุธาฌานเมื่อถึงจตุธาฌานแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงเจริญวิปัสสนาทรงระลึกชาติผลหลัง ก็ได้ตัดสรุปเพนิวาสาสุสติญาณทรงระลึกชาติผนหลังได้ตั้งแต่ชาติที่เป็นพระสิทธาราชกุมารคืนหลังไปขนาดนับไม่ถ้วนเพราะองค์ต้องการจะรู้ไปถึงไหนก็รู้ไปถึงนั้นเพราะพระองค์เที่ยวเกิดเที่ยวตายสร้างบารมีมา ในสงสารนี่นานตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมากับกลัวว่าบุญบา ร, รมีนั่นจะเต็มบริบูรณ์อันนี้แหละให้พากันคิดพิจารณาว่าในการที่เราจะเอาชนะกิเลสตัณหาได้อย่างสบายสบายโดยไม่ต้องได้ต่อสู้กับความชั่วอะไรเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้าผู้มีบุญบา ร, รมีอันยิ่งใหญ่ถึงพันนั้นนะพระองค์ก็ยังต้องสู้กับมารและเสนา ม, มารเอาซะอย่างเต็มที่เลยเดี๋ย ว, ว่าพระองค์สู้ด้วยพระบารมีธรรมไม่ได้สู้ด้วยอาวุธจุทภันธ์อย่างอื่นอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วเรามาบําเพ็ญทางจิตใจ หากว่ามารคือกิเลสมันมารบกวนเข้าไปเราก็ต้องนึกถึงบุญบา ร, รมีนึกถึงคุณพระตนไกลที่เราได้เคารพทับถือบูชาบุญบา ร, รมีที่เราได้กระทำบำเพ็ญมานั่นขอให้มาเป็นกำลังใจของข้าพเจ้าในบัต้อย่าให้ใจข้าพเจ้าอ่อนแอทอดแท้ในการที่จะ หากเพียนเพ่งพินิษละกิเลสตัณหาออ ก, ก, กจากจิตใจนี่ถ้าหากว่าผู้ใดนึกถึงบุญถึงคุณอย่างนั้นถ้าบุญบา ร, รมีตนได้ทำมาจริงคุณพะรัตนัตไตรตนได้เคารพนับถือจริงเช่นนี้บุญคุณว น, นั้นก็จะมาเป็นกำลังใจทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นไม่ย่อท้อ เมื่อไม่โยท้ออย่างนี้แล้วก็มันก็เอาชนะมารคือกิเลสอันเป็นเครื่องบรบกวนจิตใจให้สงบลงไม่ได้แล้วนะให้รังพับไปนี่ดังนั้นให้พากันเข้าใจเราต้องเชื่อบุญเชื่อคุณมันถึงมีกำลังใจใจจึงเข้มแข็ง ถ้าหากว่าเราไม่ยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งไว้อย่างมั่นคงแล้วมันก็อุปมาเหมือนอย่างตำรวจทหารซึ่งไปต่อสู้กับฆาตศึกไม่มีอาวุธอะไรติดตัวอย่างนั้นแหละไอ้นี้แล้วก็ฆาตศึกมันก็สามารถที่จะทําลายชีวิตของทหารนั่นได้เพราะไม่มีอะไรป้องกันตัวเลย ก็ต้องก็ต้องพ่ายแพ้ต่อขาาศึกไปได้แน่นอนนะแต่อย่างนั้นอันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นแหละหากว่าเราใจของเราไม่เชื่อในบุญในคุณไม่ทำความยินดีพอใจในบุญในคุณให้มากๆอย่างนี้น ะ, ะใจนี่มันก็อ่อนแอมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ กิเลสมันก็ปูนปั่นเอาจิตใจก็พุ้งซ่านเลื่อนลอยไปนี่ดังนั้นเนี่ยอย่าพากันละเลยบุญกุศลความดีที่เราทำมาเราต้องรวบรวมมาไว้ในใจของเรานี่หมด ม, มันบุญกุศลคุณพระรัตนกายนี่ไม่มีที่อยู่หรอกนอกจากจิตใจนี่แล้ว อยู่ในจิตใจของคนเรานี่แหละถ้าหากว่าคนในโลกอนี้นะ่ะหยุดนับถือซะแล้วคุณเหล่านี้ก็ย่อมหายไปเป็นย่งั้นหายไปถ้าคนยังนับถืออยู่ตราบใดก็มีอยู่ตราบนั่นแหละคุณแก้สามประการมูลกุศลที่บุคคลแต่ละคนได้ทำมาเช่นอย่างว่าเราเกิดมาชาตินี้นะ เราได้ทำบุญกุศลมาแต่เมื่อไรทุกคนก็ต้องรู้เรื่องของตัวเองแหละไปเริ่มมีศรัทธาทำบุญทำทานมาแต่เมื่อนั้นเมื่อนี้อันเนี้ยเราได้ตั้งใจรักษาศีลมาแต่เมื่อนั้นเมื่อนี้นี่ก็รู้ไม่ได้รักษารักษาบ้างไม่รักษาบ้างก็รู้อย่างงี้นะ นั่นแหละไ้พากันทบทวนดูความดีของตัวให้มันได้ถ้าไม่เท่นนั้นแล้วก็อยู่มไม่มีที่พึ่งแหละขอให้เข้าใจเราจะเอาอะไรเรามาเป็นที่พึ่งแบบ น, นี้ลองคิดดูเราจะเอาพระอินทร์พระพรหมที่ท่านกล่าวกันไว้หมู่นั้นหรือมาเป็นที่พึ่งไม่ทราบว่าพระอินทร์พระพรหมอยู่ที่ไหน เพียงแต่ว่านึกกลมๆแล้งๆไปส่วนบุญกุศลความดีที่เราทํามานี่ เ, เราระลึกได้อยู่นี่ว่าเราได้ทําบุญทําทานมาแต่เมื่อไรนี่เราก็รู้ตัวเขาตัวอยู่อย่างนี้นะเราได้รักษาศีลมาแต่เมื่อไรก็รู้อย่างนี้นะเอเราได้กราบได้ไหว น้อมน้อมต่อคุณพระรัตนกรอย่างไรมาเราก็รู้นี่นี่แหละเราระลึกถึงความดีที่เราทำมานี่มันจึงแน่นอนดีกว่นี้ไอระลึกถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเราก็ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นเลยอย่างนี้มันก็จะมีน้ำหนักอะไรแล้วก็เชื่อลม้ลมล้มแรงแรงไปอย่างนั้น แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าผู้สิ้นอาสวะกิเลสกับทั้งพระอระหันต์ท่านผู้ละอาสวะกิเลหสหาสิ้นไปตามพระพุทธเจ้าและพระริยาบุคคลลดตั่นกันลงมาเหล่านี้แหละเป็นผู้ประเสริฐในโลกพราท่านละกิเลสได้อืม อย่างน้อยเช่นพระโสดาบันอย่างเงี้ยอันกิเลส ท, ที่จะให้ท่านไปทำบาปไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์กระพฤติ ผ, ผิดในกามกล่าวมุสาวาดดื่มสุราเมลัยกันชายาผิ่นเฮโรอี น, นต่างๆวหล่านี้ไม่มีแล้วกิเลสเหล่านี้ท่านละขาดจากตัดาลแล้วพระโสดาบันนะคนธรรมดาสามัญยังละไม่ขาดนี เมื่อมันไม่ได้โอกาสก็ไม่ได้ทำบาปเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเมื่อมีเหตุมาถึงเข้าที่จะให้ทำบาปอย่างนี้มันทำได้อยู่คนธรรมดาสามัญเนี่ยมันเป็นยังน้นเพราะฉะนั้นแหละมีแต่พระพุทธเจ้าและพระอริยบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นแหละเป็นผู้วิเศษในโลกเป็นผู้ทรงพระคุณ หาที่สุดไม่ได้ไม่มีพระคุณอื่นยิ่งไปกว่าเลยนี่เราท้าวพุทธเนี่ยมันต้องพิจารณาให้รู้เห็นพระคุณทั้งสามประการนี้พิจารณาให้เห็นอํานาจแห่งบุญกุศลที่เราได้กระทําบําเพ็ญมานี่ว่าว่ามีจริงอย่างนี้นะบุญคุณนี่มีจริงเราได้ทํามาวันนี้มันเกิดขึ้นในดวงขีดของเราอยู่ เราไม่เชื่อสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นที่พึ่งกาจัดทุกข์ให้แก่เราได้เราเชื่อแต่บุญแต่คุณนี่แหละอย่างงี้นะให้มันแน่นอนในใจลงอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะถ้าหาว่าเราไม่ได้ที่พึ่งอันประเสรตอยู่ในใจอย่างมั่นคงอย่างว่านี่แล้ว มันก็ย่อมพ่ายแพ้ต่อมาคือกิเลสบาปธรรมเลยไปแหละพอกิเลสบาปธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วก็รู้อำนาจแก่มันไปเช่นเมื่อความโกรธเรื่องที่จะให้เกิดความโกรธมาถึงเข้าก็โกรธขึ้นมาทันทีอย่างนี้นะคนไม่มีที่พึ่งเป็นอย่างนั้นเมื่อเรื่องที่มา ยัวยินชวนให้เกิดความโลภอยากได้อะไรต่ออะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็เกิดความอยากขึ้นอย่างท่วมท้นจิตใจอืมอย่างนี้นะใครมายุให้หลงให้เมาไปตามก็ไม่มีสติสมปัส ญ, ญาหรือไม่มีปัญญาที่จะไขกลวนไอ้เรื่องที่เขามายุนั่นที่เขามาออกความเห็นได้ฟังนั่น ล้วเชื่อทำตามเขาไปเลยก็มีบางคนนะเห็นว่าเอ๊ะผู้นี้พูดเก่งดูถ้าจะเป็นความจริงนะเรื่องที่เพื่อนพูดนี่นะอย่างนี้ตนเองนะไม่ได้เอาไปคิดไปใข่ครวนอะไรเลยแล้วก็เชื่อตามเพื่อนไปทันทีบางคนก็หลงไหลนับถือละที่อื่นไปทิ้งพระพุทธศาสนาไปก็มีเยอะแยะ อันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าความเป็นผู้ได้ตั้งอยู่ในความประมาทไม่ภาคเปลียนพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าจริงๆอืงเหตุตัางนั้นถึงไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐในใจเมื่อไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนั้นมันก็สู้อานาจกิเลสไม่ได้กิเลสมันก็จูงให้ไป ทำดีบ้างทำชั่วบ้างไปอย่างนั้นแหละแต่มันจะจูงให้ไปทำชั่วตลอดไปก็หาไมา่บางคราวมันก็ไอ่ทำดีไปเปิดโอกาสให้ทำความดีไปเวลาลวเราเผลอๆมันก็จูงใจทำความชั่วพูดชั่วไป อ, อย่างนี้นะนี่แหละกิเลสนี่เพราะฉะนั้นคนเรามันถึงได้นิ่งนอนใจจึงไม่ได้เห็นโทษของมันอะ่ะ บางคราวมันก็ให้เกิดความสบายใจนี่ให้ทำกุศลคุณงามความดีไปได้เหมือนกันอย่างนี้แล้วทีนี้บางคราวมันก็เอาแลหละลังแล้วมันทำให้เกิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาไปทำชั่วพูดชั่วไปอย่างนี้นะคนมันถึงไม่ได้เบื่อน่ายตกกิเลสไอผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้น พระองค์จึงได้ทรงพิจารณาเห็นว่าไอโรกิยธรรมนี่นะ่ะมันเป็นกุ ป, ปะธรรมโมเป็นธรรมอันกําเริบได้เพราะว่ามันเป็นธรรมคู่อ่านี่แหละคันเมื่อทําความดีเข้าไปหน่วยหนึ่งความชั่วมันแทรกแทงเข้ามาเมื่อตนกําจัดความชั่วนั้นไม่ได้บางคนไหลไปตามความชั่ว พักหนึ่งอา้ามีผู้ตักเตือนมีผู้อะไรเข้ารู้สึกตัวได้อา้ากลับจิตมาตั้งมั่นอยู่ในความดีไปเผลออความชั่วมันก็จูงไปทำชั่วอย่างนี้นะนี่หละเพราะฉะนั้นกอรทำกุศลอันเป็นส่วนโลกีเนี่ยมันจึงเป็นของไม่แน่นอนเพราะมันแทรกอยู่ด้วยกิเลสนักบัตรบัณฑิตทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แนละ้วท่านจึง ไม่ยึดมันอยู่ในกุศลความดีที่เป็นส่วนโลกีเท่านี้ก็จถึงพยายามขจัดสิ่งที่มันชั่วออกไปจากขิดใจนี่ให้มันเหลือแต่ส่วนที่ดีเรามาเพ่งส่วนที่ดีคือบุญกุศลนี่เข้าไปกุศลพลบุญอันนี้มันถูกเพ่งเข้าไปมันก็หลอมหลอตัวเองเข้าไปละเอียดประณีตเข้าไป เมื่อกูสนพล้บุญละเอียดปณิษฐ์เข้าไปในจิตมันก็ละเอียดปณีษฐ์เข้าไปเท่านั้นอันเป็นอย่างนั้นนี่แหละไอ้จิตใจคนเรานี่น่ะมันจะละเอียดปณิษฐลงไปได้นะก็พร า, าเราละความชั่วทิ้งออกไปเสียก่อนเมื่อละความชั่วออกไปได้แล้วดี๋ยวนี้มีแต่ความดีเราก็ เพ่งพี่นาความดีคือบุญกุศลนั่นมันก็ยังไม่ยังยืนเพ่งบุญกุศลนั่งเข้าไปห้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดของดับลงไปอย่างนี้นะไอบุญกุศลเ่าเนั่นเมื่อโทกสติหรือปัญญาเพ่งเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็อย่างที่ว่านั่นแหละ มันกำจัดกิเลสออ ก, ก, กจากจิตใจนี่ไปแล้วกิเลสหรือบุญกุศลอภิโสโลวิชีมันก็ดับไปอ่ามันก็ยางเหลือแต่จิตอันบริสุทธิ์นี่ตั้งมั่นอยู่มันมันเหมือนอย่างหมอเขาวางยาคนไข้นั่นแหละเมื่อยาไปทำหน้าที่ขจัดโรคในกายของมนุษย์ในหายไป ยาก็หมดฤทธิ์ไปตามกันอ่ามันก็หมดสภาพไปตามกันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุญกุศลสติปัญญาเมื่อทำหน้าที่ละกิเลสออกไปจากจิตนี่ได้แล้วมันก็ดับไปพร้อมกั น, นกับกิเลสนะนฮะอ่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังเหลือแต่จิตอันบริสุทธ์เท่านั้นเองนะคอยเข้าใจนี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจความหมาย ของการปฏิบัติทางจิตใจอย่างนี้และเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราภาวนาทีลแล้วก็ให้มองเห็นบุญเน้นคุณตั้งมั่นอยู่ในใจของเราทุกครั้งเลยเพื่อจะได้เป็นกําลังใจเมือ่อเมื่อมีบุญคุณตั้งอยู่ในจิตใจแล้วก็เพ่งจิตอ น, นันอยู่ไอ้บุญคุณก็ช่วยรักษาจิตนั้นไว้ที่เลสทั้งหลายมันก็ ครอบงมจิตไม่ได้นั่นแหละเมื่อเมื่อบุญคุณเอเพ่งเข้าไปเมื่อจิตใจเพ่งเข้าไปมั่ว่าเข้าบุญคุณนี่มันก็มีกําลังกล้าขึ้นอย่างนี้นะอืมีมกําลังกล้าขึ้นขจัดกิเลสนั้นออกไปจา ก, ก จ, จิตใจบางทีกิเลสบางอย่างก็อาจจะถอนรากของมันออกไปได้เลยนี่ที่ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคล บางจำพวกนั้นก็ละกิเลสขาดจากสันดานโดยเอกเทศอัง น, นี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งความเพียรพยายามลงไปกิเลสในหัวใจคนเราเป็นสิ่งที่ละได้ถ้าหากว่าละไม่ได้พระศาสดาไม่ทรงแนะนำสั่งสอนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้